พระพุทธศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนให้เชื่อในกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมเป็นความจรงิงให้เชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรม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 ที่เป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปลบล้างได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎแห่งกรรมก็ยังเป็นกฎแห่งกรรมอยู่เสมอทำดีก็จะได้รับผลดีทำชั่วก็จะได้รับผลไม่ดีเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด การที่เรามาเกิดในภพต่างๆนั้นก็เกิดจากกรรมที่เราทํากันในอดีตนั่นเองภพต่างๆก็มีตั้งแต่ภพของมนุษย์ขึ้นไปและลงไปจากภพมนุษย์ขึ้นสูงกว่ามนุษย์ก็เป็นภพของเทวดาของเทพของพรหม ของพระอริยเจ้าพบที่ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกภพต่างๆเหล่านี้เกิดจากการกระทำบุญหรือทำบาปทางกายทางวาจาและทางใจถ้าทำบุญ ทางกายทางวาจาและทางใจตายจากภพมนุษย์ก็จะไปเกิดในภพของเทพภพของพรมภพของพระอริยเจ้าถ้าทำบาปเวลาตายไปก็จะไปเกิดในภพของเดละฉานภพของเปรตภพของอสุรกายภพของนรก ผู้ที่ไปเกิดนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือในการกระทำบุญหรือกระทำบาปผู้ที่ทาบุญหรือทาบาปคือใจที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าๆของร่างกายตาของร่างกายไม่สามารถเห็นใจ ผู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ผู้ที่จะเห็นใจได้ก็คือใจการที่จะเห็นใจใจก็ต้องออกจากร่างกายชั่วคราวเช่นเวลาที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกาย พอใจออกจากตาหูจมูกลินกายเข้าไปรวมอยู่ในความสงมบใจก็จะเห็นใจขึ้นมาทันทีจะเห็นว่าใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้เองผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ <c oughs> พอสั่งแล้วได้ทําแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาทันทีในใจ ของผู้สั่งก็คือเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือผลของกรรมคือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจคือการคิดการพูดและการกระทำด้วยร่างกายพอคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมา ที่ใจทันทีไม่ต้องรอให้ตายไปถึงจะรับผลผลของบุญผลของบาปเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้มีการกระทำไปแล้วทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือเรื่องของพวกเราพวกเราก็คือใจนี้เอง พวกเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นผู้รับใช้เราพวกเราสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้เราสั่งให้ร่างกายมาวัดวันนี้เราคิดดีการมาวัดมาทำบุญเป็นการกระทาที่ดีพอเราคิดว่าวันนี้จะมาวัด เราก็พูดกับเพื่อนฝูงกับคนสนิทญาติพี่น้องคนใกล้ชิดชวนกันมาทำบุญมาวัดพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทางทางร่างกายพาร่างกายให้ร่างกายพาเรามาที่วัดเพื่อที่เราจะได้มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรม มานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบพอเราได้กระทำการกระทำเหล่านี้ผลก็คือความสุขใจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีความสุขใจที่เราทำในแต่ละครั้งนี้จะเป็นเหมือนกับเงินทองที่เราไปฝากไว้ในธนาคารจะไม่สูญหายไป จะสะสมไว้ในบัญชีไว้ในใจของเราทำมากความสงบความสุขก็จะมีมากขึ้นไปตามลําดับและความสงบความสุขของใจนี่แหละที่เป็นตัวที่จะสร้างภพชาติที่ดีให้แกบใจเวลาที่ใจไม่มีร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไป ใจที่ได้ทําบุญได้ความสุขได้ความสงบจากการทําบุญชนิดต่างๆก็จะได้ไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆพบชาติที่ไม่มีร่างกายนี้จะมีแต่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็ก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่จะผลิตความสุข ต่างๆจากบุญที่ได้สะสมได้ทำเอาไว้จะให้ผลิตแต่ความสุขชนิดต่างๆในรูปแบบของมนุภาพคือภาพที่เราเห็นด้วยใจเหตุการณ์ที่เราเห็นได้ด้วยใจเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกาย นาเหมือนกับเราแยกออกจากร่างกายชั่วคราวเหมือนกับดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายเวลานั้นดวงวิญญาณหรือดวงจิตของเราก็จะอาศัยมโนภาพต่างๆที่เราได้สร้างไว้ในขณะที่เราไม่ได้นอนหลับในขณะที่เราตื่นเราไปสร้างบุญไว้ บุญก็จะมาสร้างมโนภาพที่สวยงามที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีถ้าเราไปทำบาปทำกรรมไว้เราก็จะมาบาปก็จะมาสร้างมโนกรรมที่ไม่น่าดูน่าชมเป็นภาพหวาดเสียวหวาดกลัวภาพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆ เกิดมโนภาพเหล่านี้เกิดจากบุญหรือบาปที่เราทำในขณะที่เราตื่นเวลาเรานอนหลับเราจึงบางทีมีการฝันดีหรือฝันร้ายกันฝันดีก็เป็นการสร้างมโนภาพที่ดีให้ให้เราได้เสพในขณะที่เรานอนหลับ โดยอำนาจของบุญที่เราทำไว้ในขณะที่เราตื่นเวลาที่เราฝันร้ายก็เกิดจากบาปที่เราทำไว้ในขณะที่เราตื่นมาสร้างมโนภาพที่ไม่น่าดูให้เราได้รับชมนี่คือลักษณะของภพชาติเวลาที่เราไม่มีร่างกาย เราจะอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่จะผลิตมโนภาพต่างๆมาหล่อเลี้ยงจิตใจมาให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าเราได้สะสมบุญไว้เวลาที่เราไม่มีร่างกายบุญนี้จะเป็นผู้มาแสดงมโนภาพต่างๆที่สวยงามที่น่าชื่นชมยินดี ที่ให้แต่ความสุขกับเราให้ความพเพลิดเพลินสบายอกสบายใจกับเราในช่วงที่เราไม่มีร่างกายก็เราก็จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นไปจนกว่ามโนภาพหรือบุญที่เราสร้างไว้หมดกําลังที่จะผลิตมโนภาพให้เราได้เสพได้สัมผัสเราก็จะไปรับร่างกายอันใหม่ ถ้าเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือผลของการที่เราคิดดีพูดดีทำดีเช่นอย่างที่เรามากระทำกันในวันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ไปไดยเรื่อยเราจะสะสมแต่ความดีงามสะสมบุญสะสมกุศลที่จะผลิตมโนภาพที่ น่าชื่นชมยินดีน่ารักให้เราได้สัมผัสในขณะที่เราไม่มีร่างกายแล้วพอเราได้รับร่างกายใหม่เราก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เราก็จะกลับมาทำบุญกันใหม่เพราะถ้าเราได้ทำบุญบ่อย มันจะติดเป็นนิสัยไปไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไหร่พอเรามีโอกาสได้ทําบุญเราก็จะทําบุญต่อไปอย่างพบนี้ชาตินี้เรามาทําบุญกันทําไมเราไม่ไปทําอย่างอื่นกันก็เพราะว่าใจเราชอบทางนี้เราเคยทําทางนี้มาเราเคยสัมผัสกับความสุขที่เราได้จากการกระทํา บุญมาเราเลยติดออกติดใจกับการทําบุญเราก็เลยมาทําบุญกันนี่คือลักษณะของบุญที่เรียกว่าเป็นเผ่าพันธ์กรรมเป็นเผ่าพันธ์เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เผ่าพันธ์ของจิตใจก็มีอยู่สามเผ่าพันธ์ด้วยกันเผ่าพันธุ์ที่ดีะ เผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีและเผ่าพันธุ์ที่กลางๆางครึ่งดีครึ่งไม่ดีผสมกันไปผัดกันไปผัดกันมานี่คือลักษณะของคนที่มาเกิดในโลกนี้จะมีลักษณะสามลักษณะอย่างนี้เป็นเผ่าคนที่ชอบทำแต่ความดีก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ดี คนที่ชอบทำไม่ดีชอบทำบาปทำกรรมก็จะมาก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ดีคนที่ทำทั้งสองอย่างสลับไปสลับมาแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่เหตุการณ์วันไหนอารมณ์ดีก็จะทำดีวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็จะทำไม่ดีหรือเหตุการณ์มาบีบบังคับหรือดึงไป วันไหนมีเหตุการณ์มาบีบบังคับมาดึงไปให้ทําดีก็ไปทําดีเช่นวันนี้อาจจะมีเพื่อนฝูงมาชวนมาดึงให้มามาทำบุญกันก็จะมากับเพื่อนฝูงเพราะไม่รู้จะทําอะไรอยู่บ้านเฉยๆพอเพื่อนชวนมาวัดมาทําบุญก็มาด้วยนี่เรียกว่าไม่ได้มาด้วยความอยากมาของตนเอง แต่มาเพราะมีผู้ชวนผู้ดึงมาเช่นเดียวกับทางตรงกันข้ามถ้ามีเพื่อนมาชวนมาดึงให้ไปเที่ยวให้ไปดื่มสุรายาเมาให้ไปเล่นการพนันก็อาจจะไปกับเพื่อนนี่คือลักษณะของบุคคลที่ทำทั้งบุญทำทั้งบาปส่วนบุคคลที่ทำแต่บุญนีย ไม่ว่าใครจะมาชวนให้ไปทำบาปก็จะไม่ไปจะทำแต่บุญเพียงอย่างเดียวส่วนคนที่ทำบาปก็เช่นเดียวกันไม่ว่าใครจะมาชวนให้ไปทำบุญก็จะไม่ไปจะชอบทำแต่บาปเราจึงมีเผ่าพันธุ์อยู่สามเผ่าพันธุ์ด้วยกันเรามีกรรมเป็นผู้พูด ผู้เป็นเผ่าพันธ์การกระทําของเราเนี่ยทำบุญทําบาปทํากลางๆโดยทำสองอย่างทําทั้งบุญทําทั้งบาปมันก็จะสะสมให้เป็นนิสยัยเป็นสันดานขึ้นมานั่นเองถ้าเราทําบุญอยู่เรื่อยๆไม่ทําบาปเราก็จะไม่นิสัยทําบุญชอบทําบุญจะไม่ชอบทําบาปถ้าเราทําบาปอยู่เรื่อยๆ ไม่ทำบุญเลยเราก็จะมีนิสัยชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญถ้าเราทำบุญบ้างทำบาปบ้างเราก็จะมีนิสัยที่มีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่อารมณ์อารมณ์ของเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ในใจของเรานี้บางวันก็อารมณ์ดี วางวันก็อารมณ์ไม่ดีเวลาอารมณ์ไม่ดีก็มักจะคิดจะพูดจะทำในสิ่งที่ไม่ดีเวลาที่อารมณ์ดีก็จะมักจะคิดจะพูดจะทำแต่สิ่งที่ดีพอทำแล้วมันก็เกิดเป็นผลขึ้นมาทำให้เกิดมีความสุขความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมันก็จะสะสมไว้ในบัญชีบุญในบัญชีบาปต่อไป คำว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็เพราะเราทําอยู่เรื่อยๆเราเป็นคนทําตัวเราเองให้เป็นคนดีหรือให้เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่ครึ่งดีครึ่งไม่ดีนี่คือนิสัยสันดานของพวกเราแต่ละคนจึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะให้ผู้อื่นนี้มา ทำให้เราเป็นคนดีหรือทำให้เราเป็นคนไม่ดีคนที่เป็นคนดีนี้เขาก็จะเป็นคนดีเจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นคนไม่ดีนี้ยากเช่นเดียวกับคนที่เป็นคนไม่ดีจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นคนดีก็ยากคนที่เป็นครึ่งครึ่งกลางๆนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้งสองทางคือบางที่ชอบทำดีบางที่ชอบทำบาป ถ้ามีคนสั่งคนสอนมีคนคอยดึงเขาก็อาจจะไปในทางที่คนสั่งคนสอนดึงไปก็ได้เช่นไปอยู่กับคนที่ชอบทำบุญเขาจะดึงให้ไปทำบุญก็อาจจะติดไปไปทำบุญกับเขาจนเปลี่ยนนิสัยได้เปลี่ยนเป็นคนดีไปก็ได้หรือถ้าไปอยู่กับกลุ่มของคนที่ชอบทำบาป ถ้าถูกเขาดึงถูกเขาชวนให้ไปทำบาปบ่อยๆก็จะเปลี่ยนนิสัยจากคนที่เป็นแบบครึ่งดีครึ่งไม่ดีกลายเป็นคนไม่ดีไปได้ <Yeah. S 1> เราจึงต้องเข้าใจเวลาที่เราอยากจะให้ใครเขาเป็นอะไรเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นของง่าย <Yeah. S 1> เช่นเราเลี้ยงลูกหรือเราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารัก yeah. ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นบุตรเป็นทิดาอยู่ดีๆเราจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างที่อย่างอื่นนั้นมันยากเขาเป็นอย่างนี้จะให้เขาเป็นอย่างนั้นมันยากเขาเป็นคนดีจะไปอยากให้เขาเป็นคนไม่ดีมันยากเขาเป็นคนไม่ดีไปอยากให้เขาเป็นคนดีมันก็ยาก แต่ถ้าเขาเป็นคนแบบกลางๆเขาสามารถไปได้ในทิศทางทั้งสองทางถ้าดึงเข้าไปแล้วเขายินดีไปกับเราเขาก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเราว่ามีนิสัยสันดานไม่เหมือนกันการที่เราจะไปเปลี่ยนนิสัยสันดานเขานี้ เราต้องดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเขาเป็นในลักษณะที่เปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องอย่าไปเดือดร้อนเราทำได้อย่างมากก็คือชี้ทางบอกทางแต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะไปตามทางที่เราบอกเราก็บังคับก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริง เพราะเขามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นเองเขาต้องการจะเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ของเขาเขาก็ต้องแก้ที่กรรมของเขาเขาต้องแก้ที่พฤติกรรมคือการกระทาของเขาถ้าเขาชอบทำบาปชอบเสพอบายมุขถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเผ่าพันธุ์ของเขาจากไม่ดีให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีเขาก็ต้องเลิกเสพอบายมุข เลิกทำบาปแล้วหันมาทำบุญแทนมาเข้าวัดมาศึกษาธรรมมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมตามที่ได้ศึกษาต่อไปเขาก็จะเปลี่ยนเผ่าพันธ์ของเขาได้จากเผ่าพันธ์ที่ไม่ดีไปสู่เผ่าพันธ์ที่ดีได้นี่คือคำหมายว่า เรามีกรรมเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งสารณะที่พึ่งก็คือที่เราที่ให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเราก็เกิดจากการกระทาของเรานี้เกิดจากกรรมคือบญหรือบาทที่เราทำ ถ้าเราทำบุญเราก็จะสร้างสารณะที่พึ่งที่ดีที่ปกป้องรักษาให้ใจของเรามีแต่ความสุขถ้าเราไปสร้างที่พึ่งที่ไม่ดีถ้าเราไปทำบาปเราก็จะสร้างที่พึ่งที่ไม่ดีที่จะสร้างแต่ความทุกข์ให้กับเราดังนั้นไม่ว่าเราจะสุขหรือเราจะทุกข์นี่ ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยไม่ได้อยู่สิ่งอื่นเลยอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราที่เราพูดคำว่าเหานี้เราหมายถึงใจเราไม่ได้หมายถึงร่างกายเรื่องของร่างกายนี้คนอื่นอาจจะช่วยเราได้เช่นเราเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยเขาอาจจะให้ที่พึ่งที่อยู่อาศัยกับเราได้ อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของร่างกายเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องไม่สําคัญเพราะร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจเป็นผู้รับใช้ใจและจะอยู่ไปได้ไม่นานไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องแก่เจ็บตายไปไม่ว่าร่างกายจะได้รับการเลี้ยงดูดูแลอย่างดีขนาดไหนก็ตาม ในที่สุดร่างกายก็จะต้องถึงจุดจบของร่างกายแล้วสิ่งต่างๆที่เพิ่งทางร่างกายที่เราสร้างให้กับร่างกายหรือผู้อื่นสร้างให้กับร่างกายมันก็จะต้องหมดไปแต่เรื่องของใจมันไม่ได้หมดไปกับร่างกายเรื่องของใจนี้มันมีต่อไปเรื่องของบุญของบาปที่ใจได้ทำไว้ยังมีต่อ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วที่เราพูดว่าที่พึ่งทางใจนี้เราก็หมายถึงบุญหรือบาปที่เราทำที่จะให้ความสุขหรือความทุกข์กับใจอันนี้ไม่มีใครที่จะมาทำบุญให้เราได้ทำบาปให้เราได้ไม่มีใครจะมาสร้างความสุขให้กับเราได้ไม่มีใครมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ทางจิตใจ เราเป็นผู้สร้างผู้เดียวสร้างด้วยการคิดที่ดีหรือไม่ดีการพูดที่ดีหรือไม่ดีการกระทำทางร่างกายที่ดีหรือไม่ดีอันนี้จะเป็นผู้ที่จะเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราส่วนที่พึ่งทางร่างกายนี้คนอื่นสามารถที่จะสร้างให้เราได้หาให้เราได้ เช่นพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราเลี้ยงร่างกายเรามาอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้ความสุขกับเราทางร่างกายหรือเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเจอคนไม่ดีมาทำร้ายเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นมาทำให้เราเจ็บได้แต่เจ็บทางร่างกาย อันนี้เป็นคนตะเรื่องกันขอให้เข้าใจขอให้แยกแยะว่าเราพูดถึงเรื่องใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายแต่เรามักจะมองกดแห่งกรรมไปที่ร่างกายกันเราเลยสับสนกันงงกันเพราะว่าบางทีเราเห็นคนทำบาปทำไม่ดีแต่ทางร่างกายเขากลับจเจริญรุ่เรงเรืองกลับร่ำรวยกลับเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ได้รางวี่รางวัลอะไรต่างๆแต่คนที่ทำความดีกลับไม่ได้อะไรกลับไม่ได้ไม่รํำไม่รวยไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญเยือนยออันนี้เป็นเรื่องของทางร่างกายเราต้องแยกให้เข้าใจกดแหงกรรมนี้เกี่ยวกับทางจิตใจส่วนทางร่างกายนี้มัน มันไม่ใช่เรื่องของกฎแห่งกรรมมันเรื่องของคนที่ทําให้กับกันและกันทําที่ร่างกายทําบาปยังรวยได้ทําบาปยังเป็นใหญ่เป็นโตได้ทําบาปแล้วยังมีคนยกย่องสนรเสริญได้อันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของโลกสมมุติไม่ใช่เรื่องเรื่องของโลกจิตใจน เรื่องของของร่างกายกับเรื่องของจิตใจนี้มันคนละเรื่องกันเห็นอย่าเอามาชนเอาแพะมาชนแกะกันเพราะคนสมัยนี้มักจะมีความท้อแท้คิดว่าตัวเองทำความดีแล้วไม่ได้เดบได้ดีทางร่างกายไม่ได้เจริญก้าวหน้าในราบยศสรรเสริญไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกิ้นกาย อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมคนทําบาปก็จะเจริญในราบยศสารเสริญเจริญในรูปเสียงเกิดลดผลพภะได้คนทําบุญกับไม่เจริญทางราบยศสารเสริญไม่เจริญทางรูปเสียงเกิ่ดลดผลตภะได้เพราะเรื่องของบุญของบาปนี้มันเกี่ยวกับจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับร่างกาย ดังนั้นขอให้เรามองมาที่จิตใจมองมาถึงภพชาติต่างๆที่จะตามมาหลังจากที่ไม่มีร่างกายแล้วมองถึงนิสัยสันดานที่จะติดมากับจิตใจของพวกเราอันนี้เกิดจากบุญหรือบาปที่เราทํากันคนเราเกิดมามีนิสัยดีนิสัยไม่ดี มีความสุขใจมีความทุกข์ใจมากน้อยต่างกันถึงแม้ว่าจะยากจนแต่คนทำบุญทำความดีกับมีความสุขใจมากกว่าคนทำบาปถึงแม้จะร่ำรวยเขาสุขทางกายคนทำบาปอาจจะสุขทางร่างกายแต่จะทุกข์ทางจิตใจจิตใจจะมีแต่ ภาวะปั่นปวนมีแต่ความหวาดวิตกกังวลเพราะเวลาไปทำบาปแล้วมักจะมีความกลัวว่าจะถูกล้างแค้นเป็นต้นจะถูกจองเวรจองกรรมอันนี้ขอให้เราทำความเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเชื่อนี้ เป็นกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวกับดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของพวกเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ทางร่างกาย<ม>เราจะได้ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายเวลาที่เราทำความดีและเราไม่สุขไม่เจริญทางร่างกาย เราต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะพระพุทธเจ้าทรงทำความดีจนถึงขั้นเป็นพร ะ, พระ พ, ระพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระอระิยะบุคคลขั้นสูงสุดแต่ความเจริญทางร่างกายนี้ท่านไม่มีเลยท่านเคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าชายเป็นราชโอรสแต่พอท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านกลับมาเป็นขอทานใช่ไหย ท่านต้องออกบินฑบาทขอทานขอรับประทานอาหารทุกวันคนทําความดีมักจะที่แท้จริงนี้จะเป็นคนจนกันทั้งนั้นดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญท่านไม่ได้เจริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยแต่ท่านเจริญทางจิตใจสุขทางจิตใจ ที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงือท่านได้นัตติสันติปรังสุขขังอได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบท่านได้นิบบานังปรมังสุขขังือท่านได้ความสุขที่เกิดจากความสมงบระงับของกิเลสตัณหาอย่างถาวร ได้บรมมาสุขใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้ไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับพวกที่ยังทำบาปทำอะไรกันอยู่พวกที่ยังหาความสุขความเจริญทางร่างกายอยู่ถ้ายังหาความสุขความเจริญจากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่จะต้องกลับมาเกิดเพื่อที่จะมาหาลาบยศสารเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลึนกายอยู่เรื่อยๆแล้วพอมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาทุกข์กันทุกภพทุกชาติไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดด้วยพบชาติที่พวกที่มาหาลาบยศสารเสริญ ส, สุขกันนี้ มีจำนวนมากมายกายกองนับไม่ได้ด้วยตัวเลขนับได้ด้วยการประมาณด้วยการเอาน้ำตาที่หลังมาในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าเอาน้ำตาที่หลังในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวมกันแล้วจะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือจำนวนของความทุกข์ที่ผู้ที่สแสวงหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องมาล่องหมล่องห้ยกันนี่คือเรื่องของความสุขความทุกข์ทางร่างกายที่ไม่ได้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขความทุกข์ของจิตใจเกี่ยวกับความเจริญความเสื่อมของจิตใจะ ดังนั้นขอให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้ไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายในการทำความดีทุกครั้งที่เราทำความดีขอให้เรามองเข้ามาที่ใจของเราเราได้รับผลทันทีไม่ต้องรอให้คนเขายกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ต้องรอให้เขาขอบอกขอบใจไม่ต้องรอให้เขาให้ลังวี่าังวันกับเราเพราะว่า ความสุขใจที่เราได้จากการทำความดีนี้มันไม่มีเงินทองที่จะสามารถซื้อมาให้กับเราได้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถซื้อความสุขใจที่เกิดจากการทำความดีได้นอกจากเอาเงินทองนั้นไปทำความดีเท่านั้นถึงจะเกิดความสุขใจขึ้นมาได้เราจะได้ไม่ท้อแท้ในการทำความดี ทุกครั้งที่เราทำความดีเรามองเข้ามาที่ใจแล้วเราจะเห็นว่าใจของเรานี้มีความสุขมากมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจในการที่เราได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นให้เบาบางลงไป ให้เขาได้มีความสุขเหมือนกับเราอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการทำความดีผลที่เกิดจากการไม่ทำบาปก็จะทำให้เราสบายใจเวลาที่เราทำบาบนี้ใจเราจะไม่สบายใจเราจะร้อนด้วยความวิตกกังวลหวาดกลัวแต่เวลาที่เราไม่ได้ทำบาบนี้ใจของเราจะเย็นจะสบาย ไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวจากบุคคลต่างๆเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนเสียหายเราก็รู้ว่าจะไม่มีใครมาร่างแค้นโกรธแค้นเรานั่นเองอดังนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทางร่างกาย เรื่องของทางร่างกายนี้ถือว่าให้มันเป็นเรื่องเรื่องของเหตุของบุคคลคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะชอบเราจะเกลียดเราคนอื่นเขาจะช่วยเราหรือไม่ช่วยเราคนอื่นเขาจะให้อะไรเราหรือไม่ให้อะไรเราเราไปบังคับเขาไม่ได้มันอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดของเขา เราอย่าไปหวังอะไรจากคนอื่นแล้วเราจะไม่ผิดหวังถ้าเราทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนอยากคนนั้นคนนี้เวลาเราไม่ได้รับผลตอบแทนเราจะเสียใจเราจะท้อแท้เบื่อหน่ายในการทำความดีได้แต่ถ้าเรามองเข้ามาที่ใจการทำความดีนี้เราต้องไม่หวังผลตอบแทนจากใคร แล้วเราจะได้รับความรู้สึกที่ดีภายในใจถ้าเราไปหวังผลตอบแทนจากการทําความดีความรู้สึกที่ดีในใจจะไม่เกิดขึ้นมาเพราะเราจะคอยกังวลคอยรอรับผลตอบแทนจากการทําความดีของเรานั่นเองนี่คือดัองนั้นการทําความดีเ จ, จะต้องทําโดยที่ไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากใคร ต้องการเพียงแต่ความรู้สึกที่ดีที่เกิดจากการทำความดีเท่านั้นจะรู้สึกที่ดีได้ก็ต้องไม่ต้องการอะไรจากผู้อื่นต้องการให้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียวต้องการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพียงอย่างเดียวถ้าเราทําอย่างนี้แล้วใจของเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเช่นเวลาเราเห็น สัตว์ที่เขาจะเอาไปฆ่าแล้วเราไปถ่ายชีวิตเข า, าเวลาที่เราได้ปล่อยปลาปล่อยนกแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขใจเพราะเราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากจากนกจากปลาที่เราไปปล่อยเราต้องการให้เขาพ้นภยัยต้องการให้เขาอยู่อย่างอิสระให้เขามีความสุขเหมือนกับเรา พอเราทำอย่างนี้แล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาอย่างนั้นเวลาเราทำความดีทำความบุญทำบุญขอให้เราเลือกทำบุญหรือทำความดีที่เราสามารถที่จะเห็นผลได้ทันทีทำแล้วเห็นผลทันตาได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้เขาได้อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ช่วยกำจัดบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทำแล้วเราจะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีดังนั้นเวลาเราทำบุญนี้ขอให้เราดูเหตุผลของการทำบุญว่าทำแล้วผู้ที่รับนี้เขาได้ประโยชน์จากเราหรือไม่ถ้าเขาได้รับประโยชน์เราก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขถ้าทำแล้วเขาไม่ได้รับประโยชน์ เราก็จะไม่รู้สึกจะได้ความสุขเช่นถ้าเราไปไปช่วยเศรษฐีเอาเงินไปให้เศรษฐีเราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยเพราะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเพราะว่าเขามีเงินทองเยอะแยะกว่าเราเขาสามารถใช้เงินทองของเขาสร้างความสุขต่างๆให้กับตัวเขาเองได้ เราจึงไม่ไปทำบุญกับเศรษฐีกันส่วนใหญ่เราจะไปทำบุญกับคนยากจนกันคนที่ต้องการช่วยต้องการความช่วยเหลือคนที่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเราจึงมากไม่ไปทำบุญกับเขาอันนี่คือเรื่องของการทำความดีจะเห็นผลต้องเห็นที่ใจและต้องรู้ว่า การทำของเรานี้ทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นมาในบุคคลที่เราได้ไปกระทำกับเขาทำให้ชีวิตของเขามีความสุขมากขึ้นทำให้ชีวิตของเขามีความทุกข์น้อยลงแล้วเราจะได้เห็นผลของบุญที่เราทำทันทีแล้วพอเราได้เห็นผลจากการทำบุญเนี่ยมันเราก็จะรู้ว่าการทำบุญนี้มันไม่สูญเปล่า หรือว่ามันทำแล้วมันทำให้เรามีความสุขใจเราก็จะทำวุญต่อไปอย่างไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะว่าเราไม่ได้ไปรอรับผลตอบแทนจากใครเราไม่ได้ไปรอรับรังวีรางวันไม่ได้หวังว่าจะได้ร่ารวยขึ้นกว่าเดิมจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศสูงกว่าเดิมจะได้รับรางวันเกียรติคุณต่างๆ อันนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการซื้อขายหรือเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าเราทำแบบต้องการผลตอบแทนนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการยื่นหมูยื่นแมวเราทำอย่างนี้แล้วเขาก็จะให้เราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอย่างวัดบางวัดเนี่ยที่ดึงให้ญาติโยมไปทำบุญด้วยการเอาพระเครื่องมาขายมาแลกเปลี่ยนอันนี้ จะไม่ได้บุญนะเพราะเราไม่ได้ไปทำบุญเราจะไปเอาพาคเครื่องกันเหมือนไปซื้อขายกันไปซื้อพากเครื่องทำบุญร้อยบาทจะได้เหรียญทองทองแดงทำบุญพันบาทจะได้เหรียญเงินทำบุญหมื่นบาทจะได้เหรียญทองอย่างนี้มันไม่ได้เป็นการทำบุญแล้วมันเป็นการซื้อขายเป็นพุทธพาณิชไป ทางวัดไม่ควรจะทำอย่างนี้ไม่ควรที่จะหาเงินเพื่อที่จะเอามาถึงแม้จะเอาม า, าทํานุ บ, บํารุงพระพุทธศาสนาก็ตามแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ควรจะกระทำควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของศรัทธาของผู้ทาบุญและไม่ต้องมีอะไรเป็นผลตอบแทนสิ่งที่ทางวัดควรจะตอบแทนกับศรัทธาญาตโยที่มาทาบุญ ก็คือให้ธรรมะคำสั่งสอนแก่ศรัทธาญาติโยมเพราะนี่คือหน้าที่ของพระของพระพุทธศาสนาให้ธรรมะแก่ศรัทธาญาติโยมเพื่อญาติโยมจะได้รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมให้รู้ว่าควรจะทำอะไรควรไม่ทำอะไรให้รู้ว่าทำแล้วหลังจากที่ตายไปแล้วยังจะต้องไปรับผลของการกระทำต่อไป อันนี้เป็นสิ่งที่ทางวัดควรจะให้กับศรัทธาญาติโยมแต่ไม่ควรให้ด้วยการแลกเปลี่ยนว่าฟังเทศแล้วจะต้องเอากันเทศบางวัดจะมีการเทศมีบาทบางคนก็เดินไปรับเงินใส่บาทกันเวลาที่พระจะเทศกันครับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของศรัทธาของผู้ให้ ถ้าอยากจะให้ก็ให้ถ้าไม่อยากจะให้ก็ไม่ต้องให้ของที่ทางวัดแจกให้เช่นหนังสือธรรมะก็ไม่มีราคาถ้าอยากจะได้ก็หยิบไปไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นการซื้อขายเป็นการให้ธรรมทานเป็นการให้ธรรมะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทาบุญทั้งสองฝ่าย ทางวัดทางพระก็ได้ทาบุญด้วยการให้ธรรมะทางศรัท ธ, ธาญาติโยมก็ได้ทาบุญด้วยการให้ปัจจัยสี่ให้อาหารเิญทบาทให้จีวรเครื่องนุ่งหม่มให้ยารักษาโรคให้กุฏิที่อยู่อาศัยนี้ให้ด้วยศรัท ธ, ธาให้โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าถูกต้อง เป็นการทำบุญทั้งสองฝ่ายทางวัดก็ได้ทำบุญให้ด้วยการให้ธรรมะทางญาติโยมก็ได้ทำบุญด้วยการให้ปัจใจสี่แก่พระภิกษุที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติเพราะว่าพระภิกษุก็ไม่มีไรายได้ไม่มีอาชีพอาชีพของพระภิกษุก็คือการมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพระธรรมคาสอนของ พ, พ่อพทธเจ้าจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพอได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนจะสามารถอธิบายแจกแจงเรื่องของกฎแห่งกรรมให้ผู้ที่ไม่รู้ได้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้ทำให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้จะได้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเพื่อที่จะได้ทำแต่บุญไม่ทำบาปเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้แหละคือหน้าที่ของพระ พระไม่มีหน้าที่ไปหาเงินหาทองมาสร้างโบสถ์มาสร้างเจดีย์มาสร้างวัดพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยหาเงินหาทองสร้างโบสถ์สร้างวัดเลยวัดแต่ละวัดนี้มีแต่ศรัทธาญาติโยมสร้างถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยไปขอเงินขอทองจากศรัทธาญาติโยมให้มาช่วยสร้างวัดให้หน่อย สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพระพุทธเจ้าไม่มีกุติไม่มีที่อยู่อาศัยท่านอยู่ในป่าท่านอยู่ตามโคนไม้อาจจะหาใบไม้กิ่งไม้มาทําเป็นเพิงเพื่อหลบดาดหลบฝนหรือไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่ตามเงื่อมผาอยู่ในถ้ำอยู่ตามเรือนร้างต่างๆ นี่เป็นที่อยู่อาศัยของพระพุทธเจ้าของพระที่บำเพ็ญในสมัยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านไม่ได้คิดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดวาอารามท่านคิดแต่จะสร้างเรือนใจคือสร้างมรรคผลนิพพานที่เป็นที่พึ่งอาศัยของจิตใจที่ถาวรกว่า กว่าบุญที่เราสร้างบุญที่เราสร้างนี้เราจะได้ที่พึ่งอาศัยชั่วเกาว่าคือได้พบของเทวดาพบของพรหมแต่พระอริยเจ้านี้ท่านสร้างมรรคผลนิพพานเป็นที่พึ่งอาศัยที่ถาวรที่จะไม่ต้องกลับมาสร้างอยู่เรื่อยๆไม่ต้องกลับมามาทำบุญอยู่เรื่อยๆพอได้สร้างที่อยู่อาศัยครบ เต็มร้อยคือพระนิพพานแล้วพระอาริยบุคคลคือพาอาระอรหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่เพราะว่าท่านได้สร้างที่อยู่อาศัยที่พึ่งที่ถาวรนแล้วไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดแล้วไม่เหมือนที่พึ่งอาศัยชั่วคราวที่ได้จากการทำบุญเพียงอย่างเดียวทำบุญรักษาศีลเพียงอย่างเดียว ถ้าทำบุญรักษาศีลก็ออจะได้ที่พึ่งระดับของเทวดาแต่เป็นที่พึ่งชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือสร้างที่พึ่งระดับของพรหมก็คือนักษาศีนั่งสมาธออิก็จะได้ขั้นที่พึ่งระดับพรหมออแต่ก็เป็นที่พึ่งชั่วคราวเดี๋ยวไม่นาน จิตก็จะต้องเสื่อมกลับตกลงมามาเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญกันใหม่แต่ถ้าได้สร้างที่พึ่งระดับของพระอราิยบุคคลด้วยการเจริญปัญญาด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นที่พึ่งชั่วกราวทั้งนั้นไม่ควรที่จะเพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรที่จะหยุดหยุดความอยากที่จะพ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ในในโลกของมนุษย์ในโลกของเทพในโลกของพรหมเป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เลือกแสวงหาที่พึ่งเหล่านี้แล้วไปแสวงหาที่พึ่งที่ไม่ไม่มีความเสื่อมก็คือการไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใตน้ภพนี้อยู่ใน โลกของมนุษย์อยู่ในโลกของเทวดาอยู่ในโลกของพรหมตัดความอยากต่างๆให้หมดไปถ้าตัดความอยากให้หมดไปได้ใจก็จะมีที่พึ่งที่ถาวรขึ้นมาคือความสงบที่ถาวรที่เรียกว่าพระนิพพานนีอ่อันนี้ก็เกิดจากการที่ได้มีพระพุทธเจ้ามาตัดจระวถุถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดจระวุ จะไม่มีใครรู้จักสร้างที่พึ่งที่ถาวรที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาสร้างที่พึ่งกันใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็คือต้องรู้ว่าการที่จะไม่กลับมาเกิดการที่จะไม่ต้องกลับมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างที่พึ่งนี้ก็ต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากที่พึ่งต่างๆนั่นเอง หยุดความสุขหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหยุดการหาความสุขจากการไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมถ้าหยุดได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะไม่มีความอยากที่จะต้องมีร่างกายไม่มีความอยากที่จะต้องไปทําบุญไปเป็นเทวดาไม่มีความอยากที่จะต้องไปนั่งสมาธิเพื่อให้ไปเป็นพรหม ถ้าตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจหมดไปได้ด้วยปัญญาด้วยดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในไตรภพไม่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของผมนี้เป็นภพชั่วข้าวเป็นภพที่จะต้องมีวันเสื่อมวันหมดไปแล้วก็จะต้องกลับมาสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆสร้างมาเท่าไหร่ก็จะต้องหมดไปเท่านั้น มีที่เดียวเท่านั้นที่จะไม่มีวันหมดก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานคือที่ที่เราไม่ต้องทําทอะไรอีกต่อไปถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปแล้วพระนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราพระนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยปัญญากําจัดตันหาความอยากที่เป็น ตัวที่พาให้จิตใจต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองคือกาจัดตัณหาภาวะตัณหากามะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่พอกําจัดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาก็จะไม่มี อะไรมาดึงใจให้กลับมาเกิดในใตพบพอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเป็นเทพไม่ต้องกลับมาเป็นพรหมเนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาการพบพระพุทธศาสนานั้นต้องพบด้วยการศึกษาคำสอนถ้าพบด้วยการไปสักการะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นตามโบสถ์ตามเจดีย์เฉยๆนี้ยังไม่ถือว่ายังไม่พบกับพระพุทธศาสนายังไม่พบเนื้อพบแต่เปลือกเช่นเวลาเราไปวัดแล้วเราก็ไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์หรือกราบพระธาตุในเจดีย์อันนี้เรายังไม่เข้าถึงตัวพระพุทธศาสนา อันนี้เป็นเหมือนเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เนื้อของศาสนาเราต้องแกะเปลือกออกทุกครั้งที่เราไปโบทไปเจดีเราไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องเราลึกถึงพระพุทธคุณเราลึกถึงพระธรรมคุณเราลึกถึงพระสังฆคุณว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทาอะไร พระอริยสงสาวกเป็นใครเราต้องศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถึงจะเข้าถึงตัวเนื้อของพระศาสนาเราถึงจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มร้อยถ้าเราเพียงแต่ไปกราบไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นไปประเทศอินเดียไปสถานที่ประสูติตัจรู้แสดงธรรมปรินิพาน ไปกราบไปไหว้เราก็จะได้เพียงแต่เปลือกของศาสนาถ้าเราอยากจะได้เนื้อของศาสนานี้เราต้องศึกษาพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระอริยสงฆ์สาวกว่าท่านเป็นใครท่านถึงได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกท่านทําอย่างไรท่านถึงได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวก พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้แนวทางของการรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาคือรับมรรคผลนิพพานจากพระพุทธศาสนานั่นเองต้องเกิดจากการศึกษาวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาพอเรารู้แล้วเรานาเอาไปปฏิบัติเดี๋ยวไม่นานมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ทำให้เรากลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาพระอริยสงสารวกทุกรูปนี้เป็นเหมือนพวกเราตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นท่านยังตอนที่ท่านยังไม่เป็นพระอริยสงสาวกท่านก็เป็นปุถุชนอย่างพวกเราที่เป็นกันอยู่ขณะนี้แต่พอได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีไปพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือไปพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี พอได้ยินได้ฟังธรรมที่ท่านสั่งสอนเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเราพอเราปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนที่สอนให้เราทําบุญละบาปจําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์พอเราสามารถปฏิบัติตามได้มรรคผลนิพพานที่เป็นเนื้อเป็นรางวัลของศาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเรา นี่คือการเข้าหาพระพุทธศาสนาต้องเข้าหาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติเราถึงจะได้เข้าถึงเนื้อของศาสนาคือมรรคผลนิพพานถ้าเราเข้าแบบไปกราบไหว้เฉยๆเราจะได้แค่เปลือกของศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ที่นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้มีอยู่ในโลกไปตลอดเหมือนกับดวงอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์นี้ถ้าเราเกิดมามาเกิดในโลกนี้ครั้งไหนสมัยไหนก็จะมีดวงอาทิตย์อยู่ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์เราก็จะไม่สามารถมาเกิดในโลกนี้ได้แล้วเพราะจะไม่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่ ถ้ตราบใดยังมีดวงอาทิตย์อยู่นี้ก็ยังมีการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ไดรละชานกันได้แต่พระพุทธศาสนานี้ไม่เป็นเหมือนดวงอาทิตย์บางทีมาเกิดแต่ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้อย่างศาสนาพุทธที่พวกเราได้พบกันในชาตินี้นั้นก็มีอายุไม่เกินห้าพันปีตามที่ได้ทรงพยากรณ์เอาไว้ตอนนี้ก็มาเกินครึ่งหนึ่งแล้วสองพันหร้อกว่าปีแล้ว แล้วพอได้อยู่ถึงห้า0ันปีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะหายไปหรือถ้ามีอยู่ก็ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครศึกษาเพราะศึกษาก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนกันเป็นคนละภาษาไปแล้วก็ได้เพราะภาษาพูดนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเรื่อย ต่อไปคาสอนถ้าไม่มีใครมาศึกษาไม่มีใครมาอนุรักษ์ต่อไปก็จะไม่มีคาสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีคาสอนเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องมีพระพุทธศาสนาต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง เป็นผู้คอยสั่งคอยสอนคอยบอกแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันดังนั้นชาตินี้เราถือว่าโชคดีที่เรายังได้มาพบกับพระพุทธศาสนายังมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้นําอยู่องค์ใดองค์หนึ่งตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สององค์ คือมีพระธรรมคําสอนมีพระ อ, อริยสงสาวกที่จะคอยสอนคอยบอกให้เราปฏิบัติอย่างถูกต้องแม่นยําเพื่อเราจะได้รับมรรคผลนิพพานดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสอันมีค่านี้หลุดมือไปพยายามศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆหมั่นฟังเทศฟังธรรมหมั่นอังตือธรรมะเมื่ออ่านแล้วเข้าใจแล้วว่าต้องทำอะไรก็รีบนำเอาไปปฏิบัติ เวลาเราเหลือน้อยชีวิตของเรามันสั้นลงทุกวันทุกวันมันไม่ยาวขึ้นอายุมันยาวขึ้นตัวเลขอายุมันยาวขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแต่เวลาที่จะอยู่นี่มันเหลือน้อยลงมันสั้นล ง, งนอย่านีอย่าหลงผิดคิดว่าอายุเราจะยาวไปเรื่อยๆอยู่ถึงเก้าสิบร้อยหนึ่งไม่ดอกเวลาที่เหลืออยู่มันมีน้อยลงไปทุกวัน มันมีแต่จะลบไม่ใช่มีไม่มีบวกฉะนั้นให้เรารีบเอาเวลาอันมีคุณค่านี้มาปฏิบัติทำกันเถิดเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายกันเพราะมันทุกข์กันแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ถ้ามาเกิดถ้าไม่อยากมาเกิดก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการละบาปด้วยการทำบุญด้วยการทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาไรวาาปุราปาริกปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอโตทินังเปตางนังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพปเรมตุจังกปาจันโทปนะเอระโสยะถามณีโชติเระโสยะถาสัพพิติโยวิววจันตุ สัพพโรโควินาศสตูมาเตภวะตอันตระโยสุขีทิคาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารุธรมมวัฏานติอายุวันโอสุขังภลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถาม <c oughs> เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาจะมีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่ติดตามเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยสิบสาม7ร้อยห้าสิบเจ็ด วิทยุออนไลน์26ผู้รับฟังบนเขา122รวมทั้งหมด618คนครับอาจารย์แสดงว่าไม่มีใครหนีเรียนไม่มีใครขาดเรียน อ, อยู่ใน6 0 6หกบวกลบครับกับถามอาจารย์ครับตัวความคิดฟุ้งซ่าน อในสังโยชน์ก็ได้ครับคือแค่เพียงแค่กําหนดรู้หรือว่าต้องมีอุบายในการจัดการกับตัวนี้ครับเอสังโยชน์ถ้าเป็นสังโยชน์มันเป็นเรื่องของระดับพราริยะแลนะถ้าเรายังไม่เป็นพาริยะก็ไม่ต้องไปกังวลสังโยชน์มีสองระดับปุถุชนก็สังโยชน์ที่ความคิดตรุงแต่งวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้เวลานั่งสมาธิก็สงบไม่ได้ ก็กังวลกับเรื่องแม่บ้างกังวลกับเรื่องงานบ้างกังวลกับคนนั้นคนนี้บ้างก็ต้องใช้เหตุผลมาลังับใช้ปัญญาใช้ใช้ความเป็นจริงว่าเราไปกังวลเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้เขาก็เขาก็เป็นของเขาอยู่ยนั้นเราก็อยู่ตรงนี้ไปกังวลไปวิตกมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิด เขาจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นถ้าอย่างนี้มันก็อาจจะระงับความฟุ้งซ่านได้แต่ความฟุ้งซ่านในระดับของผ้าระยะนี้เป็นความฟุ้งซ่านในการพิจารณาทางปัญญาเลยเถิดพิจารณาปัญญาจนกายเป็นกิเลสขึ้นมา พ, พิจารณาจนเกิดความอยากขึ้นมาทางพิจารณาที่จะดับความอยากกลับไปพิจารณาให้เกิดความตามความอยากเพราะอยากจะบรรลุ ก็เลยพยายามพิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วพอพิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนมันก็บางทีก็พิจารณาแบบไม่มีเหตุมีผลมันก็เลยฟุ้งซ่านขึ้นมาอันนี้ก็ต้องพักกลับไปพากจิตในสมาธิก่อนทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นกลางก่อนไม่ให้ปราศจากความอยากก่อนแล้วค่อยกลับมาพิจารณาดูปัญหาต่อไปว่าตอนนี้กิเลสตัณหาตัวไหนที่มันยังมีอยู่ ในใจเราถ้าพิจารณาในขณะที่ใจเต็มไปด้วยความอยากนี่มันจะไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตัวความอยากนี่นะเป็นตัวที่เป็นปัญหาความอยากบรรลุเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาแต่พอไปทำจิตให้สงบแล้วกลับมาวิเคราะห์กิตถึงจะรู้ว่าที่ใจวุ่นวายเพราะอยากบรนลุนี่เองก็ลเลยต้องตัดไอ้ตัวนี้ไปหยุดตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัณหาความอยากเหมือนกัน เ, เวลาที่ พิจารณาได้ครับพระอาจารย์ต้องพิจารณาต่อไปเรื่อยๆคือเมื่อเกิดความคิดก็พิจารณาต่อหรือว่าพอพิจารณาได้เราก็แค่กำหนดรูก็ถ้าเรากลับมาดูลมได้พุโทโธได้ก็แล้วก็ล้วก็ทำต่อไปถ้าเราพุโทโธไม่ได้ดู ล, ลมไม่ได้มวยยังไปกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องเอาปัญญาไปตัดมันหรือถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องใช้สติ ให้มันมีกําลังมากขึ้นพุโทโธให้มันทีขึ้นไม่ไปคิดพยายามสู้กับมันด้วยพุโทโธมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธของเราไปเดี๋ยวถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธเดี๋ยวพุโทโธก็จะชนะแล้วความคิดนั้นก็จะหายไปแสดงว่าทำกลับกันไปกันมาหรือเปล่าพี่สันทนก็เป็นวิธีสองวิธีไงวิธีด้วยปัญญาและ ว, วิธีด้วยสติก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีกําลังทางไหน มีกำลังทางปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญามีกำลังทางสติแล้วก็ใช้สติเ ค, ครับเราอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่มีความเหนื่อยทางกายหรือว่าจะป่วยทางกายครับมันจ ะ, ะ, ะกำหนดสติได้ไม่เต็มที่อย่างนี้ต้องมีอุบายหรือว่าต้องทาอย่างไรบ้างครับเราก็ต้องพยายามฝึกสติในตอนที่เรายังไม่ป่วยถ้ามันมีกำลังพอเวลาปล่วยมันจะได้ใช้อาศัยสติช่วยเราได้ ถ้าเราตอนคำที่เราสบายเรากลับขี้เกียจไม่ไม่เจริญสติเราจะมาเจริญสติตอนที่ไม่สบายมันก็เจริญไม่ได้เงั้นตอนนี้เราตอนที่เราสบายเราอย่าประมาดริบเจริญสติให้มากมากไว้พอเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ยังสามารถเจริญสติต่อไปได้ครับหมดคำถามแล้วครับอาถามต่อได้เล คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะคุณวรคุณนั่งสมาธิไปสักพักเริ่มปวดหลังปวดทั่วร่างกายแสดงว่าเริ่มเข้าที่แล้วใช่ไหมครับไม่หรอกมันเป็นธรรมชาติของร่างกายพ อ, อนั่งไปสรรักระยะหนึงมันก็ต้องเริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็สําคัญถ้าเราอยากจะนั่งต่อไปเราก็ต้องอย่าไปสนใจให้เราสนใจอยู่กับการภาวนาของเรา ถ้าเราพุโทโธก็พยายามอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงอาการเจ็บปวดต่างๆเพราะถ้าคิดมากๆเดี๋ยวมันจะทนต่อไปไม่นั่งต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับอาการเจ็บของร่างกายถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปดรือยอยู่กับดูลมไปเราก็จะนั่งต่อไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากทางไลน์ค่ะ กาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะกรณีที่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศทั้งในกรณีที่ไปดูงานกับเพื่อนชวนหรือไปกับครอบครัวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่เมื่อมีโอกาสก็เลยไปด้วยอย่างนี้เรียกว่ากิเลสหรือเปล่าเจ้าคะก็มีส่วนนะเพราะว่าการไปเที่ยวนี่มันก็เรื่องของกิเลสเพียง <c oughs> แต่ว่ากิเลสเราอาจจะไม่แรงถ้าไม่มีใครชวนมันก็ไม่ไป แต่พอมีใครชวนมันก็เลยไปแต่ถ้าเรามีธรรมะมากกว่ากิเลสใครชวนเราไปเที่ยวลาจะไม่ไปว่จะไปวัดดีกว่าอันนี้ก็ เ, เรื่องเป็นเรื่องของธรรมกับกิเลสที่มีอยู่ในใจเราบางทีมันมีกำลังพอๆกันที่มันต้องเรามีไผมาช่วยดึงกันถ้ามีคนมาดึงทางกิเลสมันก็ไปทางกิเลสมีคนมาดึงทางธรรมมันก็ไปทางธรรมได้นี่คือลักษณะของเราเป็นคนแบบกลาง แต่กิเลสมากก็ไม่มากแต่ทำมากก็ไม่มากพอๆกันพอกันพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วแต่ว่าจะมีใครมาช่วยถ้าธรรมะมาช่วยก็เดึงไปทางธรรมถ้ามีกิเลสมาช่วยก็จะเดึงไปทางกิเลสคำถามต่อไปนะคะเราจะปฏิบัติกับเวทนาที่รุนแรงขนาดเจ็บป่วยใกล้ตายได้อย่างไรครับเพราะได้ยินว่าเวลาใกล้ตาย จะมีทุกขเวทนาที่รุนแรงจึงไม่ทราบว่าหากเราอยู่ในสถานการณ์นั้นควรจะปฏิบัติทางจิตอย่างไรที่จะทําให้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรครับก็ต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเจ็บซ้อมไว้ก่อนตายก็นั่งสมาธิให้มันเจ็บแล้วก็อย่าไปลุกให้มันปวดให้มันปวดให้มันสุดๆแล้วก็ให้มันหยุดให้มันดับไปเองแต่เราจะไม่หนีมัน เราจะอาศัยพุโทโธช่วยเราไปมันจะเจ็บเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่สนใจถ้าเราสามารถเกาะติดอยู่กับพุโทโธได้เราก็จะสู้กับความเจ็บได้ความเจ็บจะไม่ทาให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเรามีพุโทโธมีสติคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ค่ะรบกวนคำถามค่ะเคยเป็นเช่นเวลาเพลีย พอนอนหลับคงจะฝันอยู่แต่รู้ตัวว่าฝันพอพยายามจะตื่นมันเหนื่อยมากขยับตัวไม่ได้ต้องออกแรงเยอะกว่าจะปลุกตัวเองตื่นได้แต่พอหลังๆมาฝึกพุทโธเคยเป็นแบบนี้อีกแต่บริกรรมไม่นานก็ตื่นเลยไม่ได้ใช้แรงมากเหมือนแบบแต่ก่อนอยากถามว่าการแบบนี้เกิดจากอะไรหรือคะ เป็นเพราะจิตตื่นแล้วแต่ไม่สัมพันธ์นกันกับร่างกายหรือเปล่าคะและพอพุโทโธแล้วทำให้จิตมีพลังมากเลยตื่นได้ไวหรือคือผีอามแบบที่คนที่เขาชอบคิดกันเจ้าคะเออมันก็อยู่ที่กำลังสติของเราครับกำลังสติของเราน้อยมันก็จะดึงให้ร่างกายทำอะไรได้ยากกว่าคนที่มีกำลังสติมาก เวลาเราไม่มีสติเราใช้พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเราก็มีสติเราก็จะมีกำลังดึงจิตให้ดึงร่างกายให้ขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวมีท่านคุณผู้หญิงนี่อยากจะถามอะไรหรือเปล่าส่งไมโครโฟนไปให้ทนหน่อยอาจารย์คืคอมีคาถามเกี่ยวกับการปากหน่อยคือมีคำถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะขั้นเริ่มต้นเรื่องขั้นคณิกะสมาธิอะคะ่ะ เมื่อเริ่มต้นเข้าสมาธิก็กำหนดลมหายใจเหมือนที่ปกติเราทำกันปกติเมื่อจิตโลงก็เข้าสู่ภวังคำถามคือทำไมคนเราเมื่อเข้าคณนิกะสมาธิแล้วจะต้องเข้าสู่ภวางคะผวังก็คือสมาธิมันเข้าผวังก็คือเข้าสมาธิยังไม่เข้าภวังก็ยังไม่เข้าถ้ายังดูลมอยู่นี่ยังไม่เข้าสมาธิการดูลมนี่เป็นการดึงจิตให้เข้าผวัง และเมื่อเข้าสมาธิแล้วมันเป็นไปได้สองทางอันนึงคือเข้าสู่ผวังอย่างถูกต้องอีกอันหนึ่งคือตกภวังสิ่งที่โยมเจอขณะนี้ก็คือการตกผวังที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นยังไงตกภวังหลับเลยเออมันจะเหมือนหลับเหมือนโปร่งแต่ก็ไม่ใช่สะดุ้งตื่นเหมือนก็ไม่ใช่รู้สติก็ไม่เชิงค่ะ อ, อ๋อแล้วเป็นยังไงดีไม่ดี มันตื่นมาก็คือไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองอยู่ในผวังจังหวะไหนแล้วเราจะรู้ผวังได้ยังไงว่านี่คือเราเข้าไปแล้วแล้วเราจะดูผวังยังไงก็ดูว่ามันสงบมันสบายหรือเปล่าเนี่ยมันสงบมันสบายแล้วเราก็เหมือนกับลืมตัวเราไปมันไม่ลืมหรอกมันรู้ตัวเปล่าถ้ามันลืมตัวมันก็หลับหรอกมันลืมตัวมันลืมตัวจังหวะหนึ่งแล้วก็กลับมารู้สึกตัวอ่ามันก็หลับหลัตื่นเตือน แสดงสติเรายังไม่ไ ม, ไม่ไม่แ ก, ก่กล้าพอขอฝึกสติใหม่ฝึกสติเพิ่มสติขึ้นไปจะฝึกมาหาสตินี่ทํำยังไงอ่ะก็ตั้งแต่ตื่นเลยพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาที่เรามานั่งอย่าไปคิดเรื่องนนื่องนี้พยายามหยุดความคิดให้มีพุโทโธอยู่กับใจไปตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านใช่ไหมคะ ไม่คือสติมีกำลังไม่มากพอที่จะทำให้จิตเข้าภวังสมาธิได้เต็มที่อย่างสลับกับเข้าไปในผวังหลับเวลาสติอ่อนมันก็เหมือนหลับเคิิมหลับไปเวลาสติกำลังดีก็กลับมาตื่นมารู้สึกตัวมันเป็นปัจจัยเพราะอะไรคะทำให้เพราะไม่มีสติไงเราไม่ฝึกสติเราปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยเราต้องหยุดความคิดอย่าให้มันคิดเลื่อยเปื่อยแต่ถ้าเราเ คือจับส่วนตรงที่ว่าเอ๊ถ้าเราไม่สติเราไม่สงบเราจะเข้าไปอยู่ในภาวะผวาได้ยังไงเมื่อเข้าไปอยู่ในภาวะาวาแสดงว่าจิตสงบแล้วก็นั่สิก็ต้องมีสติมันนี้เข้าไปได้แล้วเข้าไปแล้วถ้าเป็นาวัาแบบหลับๆตื่นๆมันก็ยังไม่ไม่สมบูรณ์สติยังไม่เต็มร้อยสติแบบห้าสิบห้าสิบก็คือว่า ต้องฝึกโดยการภาวนาพุโทโธให้ให้ให้สติอยู่ตัวมากกว่านี้ใช่ใช่ให้จิตอยู่ปัจจุบันมากกว่านี้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าตอนที่เข้าสู่ผวังแล้วรู้สึกจิตไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะก็ไม่คิดนะสิเพียงแต่ว่ามันยังมันไปหลับมันไปเคลิ้มไปหลับไปมันไม่มันไม่นิ่งไม่ลู้ไปตลอดมันเป็นดับดับหลับตื่น แล้วถ้าฝึกไปเรื่อยๆภาวะไอ้หลับๆับตื่นตป่นมันจ ะ, จะนหายไปมันจะตื่นตลอดเวลามันจะรู้ตลอดเวลารู้ว่านิ่งหรือว่าสงบหรือว่าสบายคำถามจาก YouTube ค่ะกราบนรรมสการพระอาจารย์ขอโอกาสถามครับนั่งไปสักหนึ่งชั่วโมงเกิดเวทนาหนักมากครับภาวนาพุโทโธก็มีอาจระงับเวทนาได้ จะใช้อุบายใดพิจารณาดีครับและจะพิจารณาอย่างไรขอโอกาสครับถ้าเราใช้พุโทโธได้ก็ใช้ไปก่อนให้มันชำนาญก่อนก็ได้ทุกครั้งเจอความเจ็บแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปจนกระทั่งเราสงบหรือด้วยความเจ็บมันเบาลงหรือหายไปแล้วเรานั่งต่อไปได้อันนี้ก็วิธีหนึ่งตามวิธีที่สอง ที่วิธีที่จะทำให้เราสามารถ อ, าอยู่กับความเจ็บได้โดยไม่ต้องพุโทโธก็ต้องใช้ปัญญาต้องแยกใช้ปัญญาแยกร่างกายออกจากใจแยกเวทนาออกจากใจให้รู้ว่าความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายที่เราไปทำอะไรไม่ได้ความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปสั่งให้มันหายไม่ได้เราต้องอยาบประหยากให้มันหาย เพราะความอยากไม่ให้มันหายมันจะทำให้เราทรมานใจถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราปล่อยให้มันอยู่เราจะไม่ทรมานใจเราก็จะอยู่กับมันได้เราก็จะเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูให้เป็นผู้รู้ผู้ดูไปอย่าไปอยากให้มันหายมันร่างกายมันไม่เดือดร้อนร่างกายเวทนามันมาจากร่างกายแต่ร่างกายไม่เดือดร้อนมันไม่ได้มาจากเรามันไม่ได้มาหาเรามันไม่ได้เป็นเรา เราเป็นเพียงแต่ผู้ดูเราให้ดูเฉยๆอย่าไปดูแบบมีอคติอย่าไปดูเพื่ออยากให้มันหายมันไม่หายก็ให้มันอยู่ไปแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายาคําถามสุดท้ายนะคําถามสุดท้ายเจ้าค่ะจากคุณพีเจกราบเรียนถามดูลมหายใจกับภาวนาพุทโธเหมือนกันไหมคะ ทำพร้อมกันได้หรือไม่เจ้าคะเหมือนกันเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะทําร่วมกันก็ได้เช่นหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโธ่ก็ได้แล้วแต่จะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเหมือนรองเท้าเนะี่ยมีหลายสีหลายแบบมีมีสัน้นมีมีสูงมีต่ํา ม, มีแล้วแต่คนใส่ชอบใส่แบบส้นสูงก็เอาส้านสูงบางคนชอบเอาส้านเตีย้ยก็เอาส้านเตีย้ย เหมือนกันเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องมือในการทำใจให้สงบจะพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้จะผสมกันก็ได้พุทเข้าโทออกก็ได้นะเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ